รู้ทางระงับความฟุง้งซ่านสิ่งหนึ่งที่บอกว่าคุณมีความฉลาดทางจิตคือการรู้กลไกอันเป็นธรรมชาติของจิตรู้รู้ว่าเหตุทางจิตอันใดเกิดเป็นธรรมดาผลทางจิตที่สอดคล้องกันนั้นย่อมเกิดเป็นธรรมดาเช่นกันด้วยความรู้เหตุรู้ผลทางจิต ช่วยให้ไม่คาดหวังอะไรที่เกินไปกว่าธรรมชาติของจิตจะให้ได้ยกตัวอย่างเช่นคนฉลาดจำนวนมากเข้าใจผิดเกี่ยวกับจิตตนเลยทำให้ตั้งเป้าโ ง, โง่ๆเช่นสำคัญว่าความฉลาดทางจิตหมายถึงต้องไม่ฟุ้งซ่านเลยต้องมีจิตเงียบสงบอยู่ตลอดเวลาเหมือนผู้เท่าแสนสุขขุมในภาพยนตร์จีนกำลังภายใน ที่แท้แล้วผู้ฉลาดทางจิตย่อมรู้ว่าเมื่อมีเหตุให้ฟุง้งอย่างไรก็ต้องฟุง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทำรรมาหากินประสาชาวบ้านธรรมดาต้องสะสางภา ร, รกิจมากมายต้องฝ่ากระแสความขัดแย้งในห้องประชุมต้องจัดการดูแลคนในครอบครัวให้ดำเนินไปได้เป็นปกติสุขด้วยเหตุเหล่านี้ ถ้าใครควบคุมจิตให้สงบราบคาบเป็นกระจกได้ตลอดเวลาก็น่าสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีความปกติทางสมองบางประการแล้วเมื่อสังเกตจากประสบการณ์ตรงเห็นว่าการทำงานคือการสะสมความฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาผู้มีความฉลาดทางจิตย่อมไม่เพิ่มเหตุแห่งความฟุ้งซ่านให้หนักเข้าไปอีกเช่น ไม่นั่งรำพึงว่าเมื่อไหรจิตจะสงบเมื่อไรจะมีเวลาว่างปลีกวิเว่กับเขาบ้างเมื่อไรจะได้อุบายวิธีทําสมาธิดีๆที่ช่วยให้สงบได้ตลอดเวลาบ้างการรำพึงถึงความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเช่นนี้นอกจากไม่ช่วยอะไรยังซ้ำเติมสถานการณ์ทางจิตให้ยิ่งย่าแย่กว่าเก่า เพราะคุณจะมีช่วงเวลาของความฟุ้งซ่านเพิ่มเติมคือเราไม่สงบเสียทีเราไม่ฉลาดทางจิตเสียทีการเสียเวลารำพึงรำพันหรือการเอาใจไปจดจอ่ออยากได้อยากมีในสิ่งที่มีไม่ได้คือความโง่ติดตัวที่มีมากับจิตของทุกคนเพื่อให้ฉลาดขึ้นคุณต้องเปลี่ยนโหมดจากปล่อยใจให้ไหลไปเรื่อย ตามความอยากมาเป็นการรู้ความจริงเป็นขณะขณะเช่นกำลังฟุ้งซ่านก็ยอมรับตามจริงว่ากำลังฟุ้งซ่านไม่ใช่ไปอยากหายฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้ให้ทุกข์เปล่าพอยอมรับตามจริงได้ก็แน่ใจได้ว่าจะไม่ฟุ้งเพิ่มด้วยอาการยอมรับความจริงไม่ได้ หลังจากนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเมื่องานหนักเป็นเหตุสะสมให้ฟุ้งซ่านทีนี้พอเลิกงานแล้วหมดเหตุให้ฟุ้งซ่านอย่างนั้นแล้วเหตุใดยังคงฟุ้งซ่านต่อไม่เลิกมีวิธีให้ฟุ้งซ่านเบาลงทุกวันได้ไหมสาเหตุที่เลิกงานเราไม่สงบก็เพราะคนส่วนใหญ่ยังสะสมเหตุแห่งความฟุ้งซ่านกันต่อ ในนามของอารมณ์บันเทิงบ้างหรือในนามของอารมณ์อยากจับใครมาเมาให้สนุกบ้างการดูหนังฟังเพลงไม่ใช่ความสงบใจแต่เป็นการปล่อยใจให้หลงฟุ้งไปกับเครื่องยั่วใจให้คิดตามการจับกลุ่มนินทาชาวบ้านยิ่งไม่ใช่ความสงบใจแต่เป็นการตามใจตัวเองให้โดดลงไปละเลงตัวเองในช่วงตีไข่ใ ส, ส่สี ผู้ที่ฉลาดทางจิตไม่เห็นตัวเองฟุ้งซ่านสะสมจากการทำงานหนักมาทั้งวันแล้วมาดูหนังดูละครจะรู้ทันว่าหนังและละครแต่ละเรื่องมีผลกระทบกับจิตต่างกันบางเรื่องแทนที่จะทำให้ผ่อนคลายกลับมีเนื้อหาให้ยิ่งเครียดหนักขึ้นหรือบางเรื่องช่วยให้ผ่อนคลายจริงแต่ก็กระทำจิต ให้ตกอยู่ในอาการฝันเพอ้อละเมอไปไกลและอารมณ์ฝันเพอ้อที่ว่าเนี่ยก็ก่อกวนจิตให้อยู่ในสภาพวกวนเหมือนคนคนเรื่องยุ่งเหยิงในหัวให้ยิ่งสับสนอลมานไม่เลิกหากเปรียบอารมณ์ฟุ้งซ่านเคร่งเครียดเป็นไข้อยากฝันที่เป็นไปไม่ได้ก็เหมือนหมอที่เลี้ยงไข้คือช่วยให้รู้สึกดีตอนมาหา แต่ยาที่รับกลับบ้านก็ต่ออายุไข้ให้ยืดออกไปอีกผู้ที่ฉลาดทางจิตไม่เห็นตัวเองฟุ้งซ่านเลอะเทอะจากการทำงานทำกลางความขัดแยง้งแล้วถึงเวลาพักคุยกับคนสนิทมีโอกาสพูดถึงข้อไม่ดีมีสัยแย่ๆตลอดจนเรื่องส่วนตัวเนาวๆของศัตรูคู่แค้นจะเริ่มไหวทันว่า ตอนพ้นพิษออกมาจากปากนั้นในสมองเหมือนมีการเพิ่มพิษให้ตัวเองด้วยเพราะแม้สัตใจที่ได้กระหน่ำด่าอย่างสนุกแต่จิตข้างในไม่สนุกด้วยยิ่งด่ามากจิตยิ่งดำมากยิ่งสั่นคำได้เจ็บแสบมากจิตยิ่งแสบร้อนมากยิ่งไปกว่านั้นหากสลัดทางจิตมากแล้วคุณจะรู้เพิ่มขึ้นอีกว่า ถ้านินทาว่าวร้ายคนเลวจริงผลคือการเอาความเลวของเขามาเปื้อนจิตตัวเองเป็นมวลทินไปด้วยและยิ่งหนักกว่านั้นหากนินทาว่าวร้ายคนที่ไม่นินทาว่าวร้ายใครตอบกับทั้งไม่มีใจอยากเบียดเบียนใครเลยผลจะเหมือนอยู่ดีๆคุณเอาจิตไปหมักในถังซ่วมหรือถังเชื้อโรคที่สร้างขึ้นมาเองเหม็นเน่าเอง ว้าวุ่นจัดเองหลักฐานทางจิตบอกเราว่าการด่าเอามันนั้นไม่ว่าจะด่าคนเลวหรือคนดีก็ได้ความเลวน้อยหรือเลวมากเข้าตัวทั้งสิน้นหากไม่ใช่การหาที่ติดด้วยใจเป็นกลางเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานหรือหากไม่ใช่การติเพื่อก่อต่อหน้าเจ้าตัวด้วยความปรารถนาดีกับเขา ยังงายใจคุณก็ต้องร้อนขึ้นด้วยโทสะหรือไม่ก็เปลอะเปื้อนด้วยวัจจีทุจริตทั้งสิน้นสรุปแล้วท่าทีในการจัดการกับความฟุ้งซ่านสะสมอันเกิดจากงานหนักจึงไม่ควรเป็นหนังละครแซบๆหรือวงนินทาที่เผ็ดร้อนมันไม่ตอบโจทย์สิ่งที่ถูกต้องถูกเป้าหมายคือหาทางดึงจิตกลับสู่ภาวะ อันเป็นธรรมชาติสงบในตัวเองต่างหากสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเหนื่อยหนักแทบไม่เว้นตละวันคุณจำเป็นต้องมีตัวลั่นไกในระดับความเคยชินทางสมองไม่มีอุบายลัดที่ใช้เวลาสั้นๆมีแต่ต้องสั่งสมความเคยชินกันยาวๆทั้งนั้นตัวลั่นไกในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เข้ามากระทบหูกระทบตา หรือกระทบใจคุณแล้วทำให้จิตคุณเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนภาวะการทำงานหรือเปลี่ยนวิธีคิดไปคนละแบบอย่างรวดเร็วหรือฉับพลันทันทีตัวอย่างที่ดีที่ทำให้คุณนึกออกก็เช่นผืนทะเลงามในต่างจังหวัดไกลๆสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยสีเขียวขจีเย็นตาหรือแค่ท้องฟ้ากว้างใหญ่หลังบ้าน ธรรมชาติยังอยู่กับเราเสมอแต่คุณต้องหงนคอมองหรือเดินทางไปหน่อยเท่านั้นเมื่อคุณกลับไปสู่ธรรมชาติได้จิตก็เหมือนพร้อมจะสงบตามธรรมชาติได้ทันทีเช่นกันขออย่างเดียวคือต้องเอาตาไปดูเต็มเอาหูไปฟังเต็มๆและเอาใจไปจดจ่อเต็มๆด้วยไม่ใช่ตาดูครึ่งเดียวแล้วแปรไปจ้องจอมือถือ ไม่ใช่หูฟังเครื่องเดียวแล้วแปรไปฟังเพลงที่พกมาด้วยและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ใจจ่อเครื่องเดียวแล้วกลับไปหมกมุ่นคลุ่นคิดถึงงานอีกคุณจะพบว่าเพียงมองปุยเมฆบนท้องฟ้ากว้างได้ด้วยตาเต็มๆกับใจเต็มๆ เ, เพียงครึ่งนาทีหลังเลิกงานได้ทุกวันความรู้สึกจะเหมือนมีพนักงานทาความสะอาด มาช่วยล้างท่อที่อุดตันในหัวเลยทีเดียว